อีกสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเรากำหนดดูบุคคลบางคนในโลกนี้ผู้มีใจเศร้าหมองใจชั่วร้ายของเขาด้วยใจของเรามีวันหนึ่งนะพระพิสูจน์เขามานั่งสนทนากันก็มาสนทนากันว่าไอคนทำชั่วอย่างเดียวเนี่ยมันไปอบายเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาใช่หคนทำดีอย่างเดียวไปสุขติก็เป็นเรื่องธรรมดาเอถ้าทำดีทำทาทั้งดีทำทำัทำ้งชั่วจะเป็นยังไง ทำบุญก็ทำบาปก็ทำเนี่ยนะอย่าง ท, ที่เล่าว่าอตอนสายๆหน่อยก็มาทำบุญเย็นๆหน่อยก็ไปหาปลาต่อเนี่ยนะเช้ามาก็ทำบุญเย็นก็กิกนเลี้ยงเมาแอลอย่างนั้นแหละแต่ถามว่าเอ๊ะดีก็ทำชั่วก็ทำอย่างเงี้ยมันจะไปไหนดีเหมือนกันก็สนทนากันแล้วก็ไปเอาเรื่องนี้เล่าให้พระพุทธเจ้าฟังพระองค์ก็บอกว่าเรากําหนดดูใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ ผู้มีจิตชั่วร้ายเรารู้ใจของเขาด้วยใจของเราด้วยสัพพัญญุตยานว่าบุคคลนี้ประพฤติโดยประการดดํดในถ้าบุคคลนี้ทากาละตายในเวลานั้นเขาย่อมถูกทอดร่างลงในรกเหมือนวางสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งที่นํามาฉะนั้นเพราะเหตุเพราะอะไรที่สุดทั้งหลายเพราะว่าจิตของเขาชั่วร้ายหมายคำว่าถ้าใจเศร้าหมองก่อนตายจะไปไหน ก็ไปอบายนั้นสรุปว่าสุดแท้แต่ใจก่อนตายถ้าใจก่อนตายใครชําระใจตัวเองไม่ได้ก่อนตายเขาบอกว่าบางคนบอกโอ๊ยก่อนตายเราก็มาสารภาพบาปเล่าความเลวจนหมดก่อนแล้วก็ค่อยๆตายก็บอกว่าก่อนตายควรคิดถึงความดีหรือความเลวความเลวไม่ต้องคิดถึงมันก็มาอยู่แล้วล่ะพยายามทําความดีไว้เถอะเผื่อจะได้นึกออกบ้างเพราะถ้าไม่นึกถึงความดีมันก็มีอยู่สองอย่างไม่นึกถึงความดีมันก็นึกถึงความ ชั่วเนี่ยนะก็นึกถึงความชั่วเราสังเกตดูเอ๊ะก่อนตายเราคงไปดีมั้งก็ดูว่าไอ้ตอนยังไม่ตายเนี่ยนะตอนฟื้นๆตอนสุขภาพดีๆเนี่ยคิดถึงอะไรชีวิตในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยโดยรวมๆแล้วคิดไปกับกุศลหรืออกุศลมันพยากรณ์ได้แล้วไม่ต้องให้ใครที่ไหนมาพยากรณ์ว่าเราจะไปไหนรคกเลยนะมันถ้าวันๆหนึ่งบาปอากุศลมันกลุ่มรมบาปอากุศลมันเล่นงานทรมานใจเหลือเกิน ต้องก็ต้องเจริญกรุณาให้ตัวเองหรไม่ก็คุยกับลูกกับหลานให้ดีๆว่ายังไงก็อย่าลืมหยาดน้าไปให้ให้บ้างเนะ้ออย่างเงนะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้บ้างเน้อนะคงไม่เนตไม่ต้องขนาดนั้นมั้งเนาะไม่ต้องใครว่าอะไรนะไม่ต้องมีคําสั่งเสียว่าให้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้บ้างเน้อเนี่ยนะไม่ต้องขนาดนั้นหรอกเนี่ยนะคนผ่านทั้งหลายก็หวังว่าคนอื่นจะทําบุญอุทิศไปให้ แต่คนดีทั้งหลายก็คิดว่าถ้าเราไม่ทำด้วยตัวเองแล้วจะแน่ใจได้หรือก็เหมือนกับว่าอะไรนะถ้าหากว่ารอให้คนอื่นทำบุญไปให้ก็เหมือนกับว่ารอให้อะไรนะรอความกรุณาจากผู้อื่ น, นว่างั้นนะเพราะว่าจิตที่ชั่วร้ายเนี่ยพนระองค์แต่ละภิกษุทั้งหลายก็เพราะเหตุที่มีใจชั่วร้ายสัตว์ทั้งหลายบางพวกเหล่านี้ย่อมเข้าถึงทุกขติวินิบาตนรกหลังจาก แตกกายตายไปเนี่ยนะหรือว่ากายแตกตายไปก็ไปสู่อบายทุคติวินิบาตนรกเสร็จพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบบุคคลบางคนในโลกนี้ผู้มีใจชั่วร้ายแล้วทรงพยากรณ์เนื้อความนี้ไว้สำหรับภิกูุทั้งหลายถ้าบุคคลทำกาละตายในเวลานี้เขาพึงเกิดในนรกเพราะจิตของเขาชั่วร้ายเพราะจิตของเขาเศร้าหมอง ก็เพราะที่เหตุมีจิตเศร้าหมองจิตชั่วร้ายสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่ทุคติเพราะฉะนั้นเห็นมดเห็นแมลงเห็นปลวกเห็นพวกเดราชาเป็นต้นเนี่ยทำทำใจไว้เลยว่าเขาสร้างจิตเศร้ามองก่อนตายเป็นแน่จึงได้ปฏิสนธิในอบายทุคติวินิบาตและนรกเพลินเห็นหมูเดราชาทนนั้งหลายก็สาวไปหากรรมเก่าในอดีตของเขาว่าเพราะความชั่วด้วยกายวาจาและใจนี่นย บุคคลนั้นเป็นผู้มีปัญญาสามด้วยประการอย่างนั้นย่อมเข้าถึงนรกเพราะกายแตกเหมือนวางสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งที่นำมาไวเฉะนั้นกอะไรนะใครที่ทำชั่วแล้วก็ละลึกถึงความชั่วที่ตัวเองทำไห้ก่อนตายตกนรกแน่นอนเหมือนไงเหมือนกับว่าเอาของไปคว่างทิ้งไว้ไงเหมือนกับเอาของไปวางไว้มันแน่นอนอย่างนั้นเหมือนเอาของมาวางไว้แน่นอนเชนั้น อันนก็เป็นสูตรที่กล่าวถึงสังกิเลตสูตรที่กล่าวถึงความเศร้าหมองเพราะความชั่วทางกายวาจาและใจเนี่ยนะอีกคาถาหนึ่งพระองค์ตรัสว่าถ้าท่านทั้งหลายกลัวทุกข์ถ้าทุกข์ไม่เป็นที่รักของท่านทั้งหลายท่านก็อย่าทําบา ป, ปกรรมทั้งในที่แจ้งและที่รับนะที่ปกปิดและเปิดเผยเพราะถ้าท่านจัดทาความชั่วหรือท่านกําลังทําความชั่วอยู่ความพ้นทุกข์ย่อมไม่มีแก่ท่าน ทั้งหลายแม้รู้ตัวแล้วหนีไปหนีไปเถอะนี้ไปที่ไหนจึงจะพ้นเนี่ยนะถ้าความชั่วเหล่านั้นทําไว้แล้วเนี่ยนะที่แล้วติดป้ายประกาศจับทั่วไปหมดชั้นใดใช่ไหมความชั่วที่ทําไว้แล้วก็ชั้นนั้นบางคนเนี่ยเขาก็มีสมัยพุทธกาลเนี่ยนะนี่ก็ไปทําชั่วมาทําชั่วมาก็ไปอาบน้ําล้างบาปนะก็ไปอาบน้ำที่แล้ ว, ำลวดำผุดดำไหว้า ย, ยาดำไหว้า ย, ยามหน้าหนาเพื่อจะล้างบาปตัวเองจะได้พ้นจากความชั่ว ก็มีธาตุคนหนึ่งก็บอกว่าพราหมทําไมท่านมาอาบน้ําเนี่ยนะท่านไปทําอะไรมาทําไมจึงต้องมาอาบน้ําก็บอกว่าเนี่ยเป็นการอาบน้ำล้างบาปเออถ้าท่านอาบน้ําล้างบาปอย่างนี้ได้นะปลาและเต่าที่อยู่ในน้ามันก็พ้นบาปไปหมดเนี่ยนะแต่ว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกบางคนเนี่ยก็คิดว่าเมื่อทําความชั่วแล้วจะอาบน้ําล้างบาปเป็นต้นได้ไม่ได้หรอกเพราะความชั่วที่ผู้ใดทําไว้เนี่ยนะความชั่วเหล่านั้นจะไปไหน มันจะอยู่ไปนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่พ้นโระให้เหาะเลยนะบางสูตรบอกให้เหาะนี้เลยเอนะ่ะเหมือนอะไรเหมือนนันทยักษ์ใช่ไหมเหาะเหาะมาไม่เห็นภาษารีบุตรไปทุบหัวภาษารีบุตรก็เลยตกโรคเลยอย่างนี้อีกสูตรหนึ่งพระองค์ตรัสว่าคนผ่านทั้งหลายได้ทรัพมาเพราะเหตุสองอย่างคนชั่วนะคนชั่วที่เขามั่งมีพวกทรัพย์ได้มาเพราะกายกรรมอันไม่เป็นธรรมบ้าง ได้มาเพราะการพูดเท็จบ้างเขาหมายเขาว่าทําความชั่วทางกายทางวาจาจนได้ทรัพย์มาเขาก็เข้าใจว่าทรัพย์นี้เป็นของเราได้ทรัพย์มาเพราะความชั่วทางกายวาจาบอกนี้ของเรานี้ของเราทรัพย์ที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องนั้นจกเป็นของเขาได้อย่างไรอันตรายทั้งหลายสิจะมีแก่เขากองแห่งทรัพย์นั้นย่อมพินาศไป สมัยนี้เห็นชัดเลยใช่ไหมถ้าสมมติว่าทรัพย์เหล่านั้นได้มาจากยาบ้านเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยนะเป็นยังไงไปไว้ไหนอ่ยนะไหนที่สุดเขาบอกว่อถ้าเราทําชั่วนะได้มาก้นหนึ่งเดี๋ยวเผื่อจะได้ให้ลูกเมียใชย้ตัวเองก็ไปอยู่ในคุกค ก, ก็ไม่เป็นไรตอนนี้หมด่นะอย่าหวังเลยอย่างนั้นเขาเอาไปเกลี้ยงหมดอนะว่าจะยึดให้ได้สักสองสามหมื่นล้านเนี่ยนะโอ้ไปไหนเนาะนะสาหมีโคทั้งหลายฟูงมีรถมีอะไรเอาไปหมดเนี่ยนะ แล้แถวภาคเหนือนี่เห็นชัดเลยแลรถที่จอดบนที่รถตารวจอ่ะนะบอกบริษัทนั่นบริษัทนี่เขายึดเอาไปหมดไม่กี่วันเขา ก, ก็ที่ดินแปลงนี้อะไรงี้ยนะติดไป้ายว่าใหญ่โตเลยไม้บ้านไม้สักกลุ่มนี้อย่างเงี้ยนะเพราะความชั่วนะทรัพย์ทั้งหลายที่ที่ได้มาจากความชั่วทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยนะอยากคิดเลยว่าจะเป็นของเราถามว่ามันเป็นของใครล่ะของคนมีบุญทําไปเถอะใครมีบุญคนนั้นก็เอาไปใช้เนี่ยนะ คนพาลทั้งหลายตายไปแล้วย่อมไม่ได้ไปสวรรค์มีแต่เสื่อมเสียโดยประมาณเท่านี้ประโยชน์ในปัจจุบันก็เสียหายไม่เหลืออะไรเลยประโยชน์ในชาติหน้าต่อไปก็ไม่มีเหลือไม่ใช่หรือทรัพในพบต่ อ, ต, อต่อไปไปจะมีเหลือบ้างไหมเป็นต้นเ น, นะเพราะอะไรเพราะว่าทรัพเหล่านั้นเนี่ยบางทีก็ย่อมทาความชั่วทางกายทางวาจาเพื่อจะได้ทรัพเหล่านั้นมาทรัพเหล่านั้นแล้วก็ไม่ได้เป็น ของเราแล้วก็มาคร่ำครวญว่ามันเป็นของใครเป็นของใครคราบเนี่ยนะก็ได้แต่ร้องให้รำพัน น, นะนะไปบ่นให้ใครฟังละครนี้อีกคาถาหนึ่งมีผู้ถามว่าบุคคลย่อมขุดตนอย่างไรบุคคลย่อมเสื่อมจากมิตรทั้งหลายอย่างไรบุคคลย่อมคลายจากธรรมอย่างไรบุคคลย่อมไปสวรรค์ไม่ได้เพราะอะไรพระองค์ก็ตอบว่าบุคคลย่อมขุดตนเพราะความโลภโลภเมื่อไหรก็ขุดตัวเองนะนี โลภแล้วย่อมเสื่อมจากมิตรทั้งหลายโกงได้แม้กระทั่งเพื่อนฝูงเป็นต้นเนี่ยะจะไปเหลือหื อ, อใครจะมาคบด้วยใช่ไหมเรียกว่าอะไรนะไปคบกับเพื่อนคนใดแล้วเขารู้สึกว่าคบคนนี้มีแต่เสียมีแต่เสียมีแต่หมดมีแต่หมดเขาจะคบเราตลอดไปไหมไม่เพราะฉะนั้นคนที่โลภมากก็เสื่อมจากมิตรเพราะฉะนั้นจะเสื่อมจากทําคลายจากทําห่างจากธรรมก็เพราะความโลภห่ามจากกุศลธรรมเพราะความโลภย่อมไปสวรรค์ไม่ได้ก็เพราะ ความโลภเนี่ยนะเพราะว่าคติของคนโลภเนี่ยนะพอเกิดมาชาติใดก็ท่านบอกว่าเป็นคนที่ตกยากเพราะโทษของความโลภอ่ะนะไปอินเดียมานี่คงเห็นชัดใช่ไหมว่ากลุ่มคนคนพุกตะเข็นใจทั้งหลายเนี่ยนะเกิดมานี่มีแม่เป็นคนยากไรยังจำได้ที่พาราณสีวิตาอเห็นไหมที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะอายุสักสิบห้าสิหกนี่แลอุ้มลูกมาลูกเขาน่าจะคลอดได้ไม่กี่วันเนี่ยนะ ที่พาราณสีตรงที่เจ้าคันธีสถทูปอะตรงนั้นนะ่ะโอยอุ้มตัวนิดเดียวยังแดงๆอยู่เลยนะคลอดไม่กี่วันอุ้มมาขอทานน่ะนะอุ้มมาขอทานโอ้ตายเลยแล้วก็ไม่ใช่น้อยนะมาไปอยู่ที่ไห น, นที่พาราณสีข้างๆทําเมฆาสถูปมีผู้หญิงคนหนึ่งก็เดินขอทานเนี่ยไปกี่รอบก็เห็นแต่เดินขอทานไปครั้งแรกก็ดูไม่แก่เท่าไหร่นะไปครั้งหลังสุดนี่แก่มากแล้วไปครั้งหลังจะอยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะ่ อาจจะจุติแล้วก็ได้ก็เดินถอรองเท้าตากแดดทั้งวันจะไปไหนเดินไปขอทานนะั่นน่ะพร้อมกรองเลยมันก็แล้วมีไม่ใช่คนเดียวนะมีเป็นหมื่นมีเป็นหมื่นมีเป็นแสนเนี่ยนะไปที่ไหนก็โอ้ยเตมไปหมดเลยถ้ถามว่านั่นผลของอะไรก็ผลของความโลภสุคติโลกสวรรค์จะหามาจากไหนนะเนี่ยนะ นก็บอกว่าคนที่ตรนีมากโลภมากถึงขนาดว่าให้ทานไม่ได้ก็เหมือนชาวนาผู้โง่เขลาเสียดายมาเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ยอมหวานไม่ยอมก็เยว่าไม่ยอมเอาไปเพาะไปปลูกเอาไปหวานเลยนะเสียดายมาเมล็ดพันธุ์ข้าวว่ามีเท่าไหร่จะขอกินให้หมดถามว่ากินหมดยุ่งหมดช้างแล้วทําไงคะ น, นี้ต่อไปเพราะข้าวเปลือกมันจะเก็บได้สักกี่ปีถ้าไม่เอาไปเพาะใหม่เดียวก็เสื่อมหมดแล้วเขาเรียกว่าข้าวผุข้าวสมัยใหม่นี่มันผุเป็น บอกว่าถ้าไม่เอามาขายภายในปีสองปีเนี่ยเดี๋ยวข้าวจะผุหมดแล้วนะกลายเป็นข้าวที่หม ด, หมดสภาพหมดราคาอันเวลากลับทางภาคอีสานเนี่ยนาโยงเขาจะมาบ่นว่าเนี่ยเขาต้องขายข้าวแล้วถ้าไม่ขายเนี่ยมันผุหมดแล้วเนี่ยเขาต้องไปขายานะถ้าไม่เพาะปลูกข้าวเก่าก็ผุข้าวใหม่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอับเฉาแน่อพับแน่วางนั้นหิวแน่อดอยากต่อไปแน่ฉันใด คนที่มีโภคะทั้งหลายก็เหมือนกันหรื อ, อยากจนโภคะทั้งหลายก็ลักษณะนั้นมันถ้าหากว่าอยู่ด้วยความโลภ ก, การที่สละไม่มีน้อมไปเพื่อจะให้ไม่มีเลยเนี่ยสวรรค์จะไปหามาจากไหนแม้แต่เป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่เรียกว่าหากินยากเต็มทีวั น, ว, นวันหนึ่งหาแต่อะไรมาลูบท้องหาอะไรนะจะให้มันกินให้มันหนักหนัก ที่เรียกว่าให้มันอยู่ท้องว่างั้นเถอะแค่ประทังความหิวไปวันๆหนึ่งก็ดีใจแล้วเนี่ยนะไปหาขุดหาคุ้ยมาจากกองขยะว่าจะกินอะไรดีเนาะว่างั้นบางคนเนี่ยมันก็ ม, นกมันก็เกินไปเหมือนกันเลยหาขุดคุ้ยเศษอาหารที่กองขยะใครให้ตังมาไปดื่มเหล้าหมดนโอ้ยว ต, ตะมันขนาดนี้เนาะสังสารวัตรสัเพสัตาเวราหนโตอีกเรื่องหนึ่งพระองค์ตรัสว่าคนพาลผู้ไร้ปัญญาทั้งหลาย มีตนเพียงดังศัตรูเที่ยวทําบาปกรรมอันมีผลเผ็ดร้อนอยู่ก็เหมือนกับเป็นศัตรูกับตัวเอง่ไยคนที่ทําตัวเป็นศัตรูตัวเองไปทํำยังไงไปเห็นมีดก็เอาตัวไปทิ่มกับมีดทีนึงไปเห็นห อ, อกก็เอาตัวไปทิ่มกับห อ, อกไปเห็นน้ําก็เอาตัวไปครูดกับน้ําถ้าเห็นแดดก็ไปตากแดดถ้าเห็นลมก็ไปตากลมเห็นไฟก็เดินเหยียบลงไปในกองไฟเห็นยาพิษก็เอามากรอกปากเป็นต้นเนี่ยถามว่าคนเหล่านี้คือใครก็คือทําตนเป็นดัง ศัตรูชั้นใดคนที่ทําความชั่วก็ลักษณะนั้นบุคคลทํากรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลังบุคคลมีหน้าชุ่มด้วยน้ําตาร้องให้เสวยผลแห่งกรรมใดกรรมนั้นที่ทําแล้วไม่ดีเราคํานวณได้เลยสิ่งที่เราทําคําที่เราพูดเราจะยิ้มต้อนรับยินดีต้อนรับนะสิ่งที่เราพูดหนึ่งคำนี้เราจะชั้นยินดีต้อนรับ ขอต้อนรับผลแห่งกา ย, กร ร, ยากรรมวจีกรรมมโนกรรมเหล่านี้ด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตแต่ถ้าบอกว่าฉันไม่ต้องการผลอันนี้เลยอย่าทําอย่าพูดอย่าคิดมันดีที่สุดเพราะรู้อะไรว่าใครเป็นคนรับแหละถ้าเราจะพูดคําใดคําหนึ่งกับใครเนี่ยนะคํานี้วันหลังเราเราอยากฟังไหมคำนี้นะถ้าเราจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยวันหลังเราอยากได้สิ่งนี้คืนไหมแต่ที่แน่ๆสิ่งใดที่เราทําด้วยกายด้วยวาจาใจ สรุปทบทวนว่านั่นคือสมบัติของเราเราคิดว่าเราจะรับผลของสิ่งนั้นด้วยน้ำตาหรือด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มเนี่ยนะเหมือนกับอะไรนะเหมือนรับพัสดุพันที่ของดีที่รู้ว่าของดีเขาส่งมาให้ยิ้มเลยนะดีใจจังเลยที่ได้รับของขวัญองนั้นหรือว่าไม่ใช่โอ้โหระเบิดยังไงแกะมาก็ตุ้มเงินมาก็เสียหายสรุปว่า แต่คนชั่วทั้งหลายเนี่ยนะทำตนเหมือนกับศัตรูของตนนะอย่างที่ว่าทวนว่าถ้าฆ่าสัตว์ก็สาบแช่งให้ตัวเองอายุสั้นรักทรัพย์ก็สาบแช่งให้ตัวเองเกิดมาให้มันจนจนมีอะไรก็ให้ถูกคดถูกโกงไปหมดถูกมีอะไรเขาก็วางแผนโกงไปหมดนะเกิดมาก็ขอให้มีแต่ศัตรูอย่าได้มีคนรักให้ไปที่ไหนขอให้เกลียดขอให้เขาจิงบอให้เขาชังให้รังเกียจขอให้เขารู้สึกขยะขยะแยงที่สุดนะพราะถ้าสังเกตดูสัตว์บางตัวเนี่ยนะคนเห็นแล้วก็ขนลุกเลยนะ แล้วก็อะไรนะไปที่ไหนก็ขอแต่ให้เขาหลอกขอให้แต่เขาลวงนะขอให้แต่เขาหลอกขอเขาอย่าได้พูดความจริงกับเราอะไรที่เป็นความเพศกาให้เล่าแต่เรื่องเรื่องที่ไม่จริงให้เราฟังนี่พอใจไหมยอย่างงี้ยถ้าถ้าสงกรานต์ถ้าเดิมสุราเป็นต้นก็สาบแช่งเกิดชาติหน้าข็ให้ปัญญาอ่อนปัญญานิ่มก็ให้อะไรเป็นโรคจิตวิ ป, ปราสคลาดเคลื่อนเป็นต้นมันก่อนโยมก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าคนบ้าเนี่รักษาหายง่ายไหม เขาบอกว่ารักษาได้มันเดี๋ยวก็บ้าอีกชันใดคล้ายกับคนเมาเนี่ยพอมาทําให้สางปั๊บเนี่ยนะเขามีโยมคนหนึ่งเขาเขาดื่มแล้วเมาแม้อุตส่าไปหาพวกร่างจืดไปหาพวกยาล้างพิษล้างเมาให้เขาเนี่ยว่าเขาไม่ยอมกินหรอกเขาบอกอุตส่ากินกว่าจะเมาได้แหมมาล้างพิษเขาทั้งหมดก็นั้นล้างไอความเมาอ่ยนะพอรู้ว่าสางเมาก็ไปดื่มต่ออีกมาโอ้ฟังแล้วก็แต่คนนั้นเป็นญาติเราด้วยสินี่ยมันลําบากใจเนี่ยนะ ถ้าไม่ใช่ญาติทําใจได้สบายเนียเป็นญาติเราจะไปว่าอะไรเนี่ยนะจะไปว่าอะไรเขาอีกสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าความเป็นสมณะอันบุคคลไม่ฉลาดเฮ้ยพูดถึงโยมเนี่ยมาว่าพระอีกแล้วความเป็นสมณะคือความเป็นนักบวชเนี่ยนะอันบุคคลผู้ไม่ฉลาดทําได้ยากอดทนได้ยากคนโง่นเนี่ยนะรักษาความเป็นสมณะไม่ได้หรอกนะนะ คนผู่ไม่ฉลาดคนโง่ทั้งหลายอดทนไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์เป็นอันมากซึ่งเป็นที่ชอบใจของคนผ่านย่อมเบียดเบียนความเป็นสมณะนั้นเนี่ยนะมันอารมณ์ที่น่าปรานาน้าพอใจทําลายสมณะไม่ใช่น้อยสมณะนี่แปลว่าผู้ประพฤติสงบผู้ประพฤติสงบด้วยราคะประพฤติสงบจากโทสะประพฤติสงบจากโมหะแต่ข่าวที่เฉาแฉออกมาทุกวันเนี่ยนะคืออะไร ก็คือส ม, มาณะที่อยู่ด้วยความโลภความโกรธและความโง่เขลาเนี่ยนะก็ชีวิตเหล่านั้นก็เป็นชีวิตที่วิบัติเนี่ยนะเสื่อมทั้งโลกนี้โลกนี้มาเจอพระธรรมคําคสอนก็ประทุสล้ายตัวเองได้อย่างเต็มที่เนี่ยนะมองดูแล้วเป็นคนที่ทําลายตัวเองอย่างที่สุดเลยนะเพราะมาเจอพระพุทธศาสนาเปรียบเหมือนยาอมะตะยาทิพที่รักษาให้เขาพ้นจากกวัฏตุกข์โดยประการต่างๆ แต่กลับทําตรงกันข้ามมาเกลียธุลีลงในพระพุทธศาสนามาประทุษร้ายตัวเองก็อย่างที่กล่าวว่าเขาทําลายพระพุทธเจ้าได้ไหมทําลายไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าเสด็จไปดีแล้วทําลายคําสอนได้ไหมสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนก็บริสุทธิ์ทําลายภาษารีบุตรพระโมคคัลลานะคืออริยสงอ์เหล่านั้นได้ไหมบอกไม่ได้แต่ทําลายตัวเองและทําลายคนอื่นให้เสื่อมจากพระพุทธศาสนาคนชั่วทั้งหลายทําลายตัวเองและทําลาย รุ่นเดียวกันทําลายคนยุคหลังๆให้เสื่อมจากพระศาสนาเขาไม่รู้หรอกว่าเขาได้ทําตราบาปสร้างตราบาปให้แก่ตัวเองปานใดเนอะเขามาเจอพระพุทธศาสนาก็ทิ่มตาตัวเองให้แตกเสร็จแล้วก็ยังไม่พอก็ทิ่มช่วยทิ่มตาคนอื่นให้บอดไปอีกนะทุกคนก็เลยห่างพระศาสนากันไปเนี่ยนะก็ในที่สุดก็ไปเกิดเป็นกลุ่มไหนเนาเนี่ยนะคือเรื่องเดียวกันเนี่ยนะถ้าเราคิดแบบพระพุทธเจ้าอย่าไปคิดสั้นๆนะพระพุทธเจ้าคิดอะไรเนี่ยนะบอก อย่างที่ว่าเนี่ยพระองค์ลืมหน้าลืมตาดูหน้าใครพระองค์ดูเลยว่าอีกกี่กับคนไหนจะเป็นอะไรเนี่ยนะบอกพระองค์นั่งอยู่ตรงไหนปั๊บหายใจเฮืยหนึ่งระเลึกเลยว่าไอ้เก้าบกว่ากับที่แล้วเนี่ยเหตุการณ์ตรงนี้มีอะไรบ้างนะพระพุทธเจ้าเป็นคนกลุ่มนั้นที่เรียกว่าอย่างรู้อดีตอนาคตไม่มีที่ สิ้นสุดของเราทั้งหลายมันพวกสายตาสัา้นมองเห็นอะไรก็แค่ว่าเม็ด2เม็ด3าเม็ด10บเม็ดก็เห็นอยู่เท่านั้นนะเห็นชีวิตก็เห็นแค่ไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้ารู้แต่ว่าเออในอีกสินาทีจะอาหารเที่ยงไงนะเป็นต้นก็คิดได้ไม่จริงๆก็คิดได้ไม่นานเท่าไหร่นะคิดได้ไม่ไม่ยาวถือว่าแหมสายตาแคบสายตาสั้นมากบางคนก็เก่งกว่านั้นนะยาวกว่านั้นมองได้ว่าเย็นนี้จะไปไหนต่ออย่างเงี้ย บางคนก็เลยพรุ่งนี้จะไปไหนบางคนก็เดือนนี้จะไปไหนมั่งเดือนหน้าจะไปทําอะไรปีหน้าแม่คิดอะไรถึงปีหน้าก็ว่าฉลาดที่สุดแล้วใช่ไหมเก่งมากแล้ววางแผนปีหน้าได้คนก็บอกเฮ้ยสองปีสาปีห้าปีสิปีบางคนก็บอกยี่สิบปีบางคนตลอดชาตินี้จะไปทํำยังไงบางคนก็มองชาติหน้าอุย้ยพวกมองชาติหน้าดูอุย้ยลึกซึ้งมากไหมบอกนั่นก็ยังเด็กๆอยู่ถ้ามองเห็นแค่ชาติหน้าก็ต้องมองเห็นเป็นร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติล้านชาติ ตลอดแสนชาติสังวัตกรวิวัตกรรมเป็นอันมากมองกำเนิดหลายๆกลับเป็นอสงไขยกับนาะน่นะนั้นผู้ที่เขาศึกษ า, าพระธรรมทั้งหลายในระดับสูงนะโดยเฉพาะพวกปรารถนาเป็นเอตทะคะอย่างน้อยเขามองแสนกลับก่อนถ้าปรารถนาเป็นอัครส า, าวกเ้ามองหนึ่งอสงไขยแสนกลับถ้าเป็นพระปเจกพระพุทธเจ้าเ้ามองชีวิตสองอสงไขยแสนกลับถ้าเป็นพระพุทธเจ้าอย่างน้อยที่สุดเขามองชีวิตสี่อสงไขยแสนกลับ ชีวิตต่อไปข้างหน้าเขาไม่ได้มองแค่ว่าชั่วโมงสองชั่วโมงนว่าอีก1ิบนาทีจะฉันเพลงรอก น, นนะสรว่าคนพาลทั้งหลายนี่ก็เป็นอย่างนั้นเกิดมาก็เพื่อปัทุสายตัวเองเนี่ยนะความเป็นสมณะถ้าหากไม่ไม่ฉลาดเพียงพอก็รักษายากจริงอยู่คนพาลที่ขัดเคืองใจในพระตถาคตผู้แสดงเหตุและแสดงผลอยู่นั้นชีวิตของเขาก็เป็นโมฆะบางคนนี่เป็นอย่างนั้นฟังคาสอนแล้วโกรธพระพุทธเจ้าเลย น, นะบอกพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยนะมีหลายสูตรนะคนฟังพระพุทธเจ้าแสดงทำปั๊บโกรธพระพุทธเจ้าเลยละนะอย่างเช่นนางมาคันธยาเป็นต้นฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าผู้แสดงเหตุผลแสดงความเป็นจริงโกรธพระพุทธเจ้าเลยแล้วก็มีอีกไม่ใช่น้อยอย่างกุณาละชาดกคนอ่านปั๊บโกรธพระพุทธเจ้าเลยก็มีพูดอย่างนี้ได้ยังไงว่างั้นนะะดูหมิ่นดูถูกกันชัดๆเป็นต้นเขาขัดเคืองในพระพุทธเจ้าชีวิตของเขาเป็นโมฆะเรียบร้อยแล้วเนี่ยะ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ผู้ยังมีราคะขัดเคืองใจในพระตถาคตทั้งหลายผู้มีอุปการะคุณอันหาประมาณไม่ได้ย่อมควรได้รับความทุกขนี้และทุกข์ที่ยิ่งกว่านี้เพราะฉะนั้นใครที่ทําความชั่วเนี่ยนะก็เดือดร้อนในโลกนี้เดือดร้อนในภพต่อต่อไปเนี่ยนะเดือดร้อนเพราะความชั่วทั้งหลายที่ตัวเองได้กระทํามานั้นที่กล่าวว่าความชั่วไม่ลืมเราง่ายๆหรอก เอกโซดหนึ่งพระ อ, องค์ตรัสว่าพระเสขาและปุตุชนผู้มีปัญญาบุคคลไรในโลกนี้เมื่อคํานวณ น, นับพระอาหารหันต์ผู้มีคุณอันนับไม่ได้ก็จะสามารถคิดคํานวณได้เข้าใจว่าบุคคลผู้คํานวณ น, นับพระอาหารหันต์ผู้มีคุณอันนับไม่ได้นั้นคงจะมีปัญญาลดน้อยถอยลงหรือศูนย์สิส้นปัญญาไปเลยเอาคิดดูนะสมมติว่าพระอาหารหันต์เนี่ยเป็นผู้ที่มีคุณหาประมาณไม่ได้ ถ้าเราไปคำนวณ น, นับว่าท่านมีคุณเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นนับได้ไหมเอาอะไรมาตวงมานับเอาอะไรมาตวงนับศีลของท่านเอาอะไรมาตวงมาเป็นเครื่องวัดนับสมถาวิปัสนานับอริยมรรคอริยผลของพระอรหันต์ทั้งหลายถ้าผู้ใดมีใจดูถูกดูหมิ่นเหยียดเหยียดยามว่าพระอรหันต์ก็แค่นั้นแหละเป็นต้นเนี่ยนะ เขาเนี่ยปัญญาเขาจะลดลดลดลดในที่สุดปัญญาไม่เหลือเลยพันชาติต่อไปก็เป็นอาเหตุุกะปฏิสนธิไม่มีปัญญามาตั้งแต่เกิดเลยนะก็กลายเป็นคนที่เกิดมาไร้ปัญญาอับเฉาตลอดตลอดชาตินั้นอีกสูตรหนึ่งพระองค์ตรัสว่าคนทานผู้กล่าวคําชั่วผู้ภาสิทย่อมทําลายตนด้วยพฤทสวาจาวาจาหยาบเยีย่ยงจอบเนี่ยนะซึ่งเป็นดุลมีดเกิดที่ปากของคนที่เกิดมานั้น บางคนนี่มันเกิดมามีปากเพื่อฆ่าตัวเองโดยตรงเลยนะกรียกว่าพูดแต่คำชั่วเพื่อทำลายตัวเองแท้จริงมีดที่ลับจนคมก็ดียาพิษอย่างแรงก็ดีย่อมไม่ทำบุคคลผู้ทำความผิดให้ไปสู่อบายเหมือนวาจาทุพพาสิทธิ์นนะหอกแหลมคมยาพิษที่ร้ายแรงเนี่ยนะอะไรนะระเบิดชีวะเคมีไม่ทำให้ตกนรกหรอกแต่คาพูดที่อยู่ที่วาจานั่นแหละเป็นตัวที่ทาให้ ไหลไปสู่อาบายทุกติพคําที่เราพูดนะจะตกนรกจะขึ้นสวรรค์จะใกล้ต่อพระนิพพานก็อยู่ที่วาจาเนี่ยนะท่านพู้ฉลาดทั้งหลายเขาก็รักษานิ้วสามารักษาลิ้น3นิ้วนี่แหละรักษาให้มันดีดีม้นตวัดไปตวัดมาก็ได้สองแฉกตวัดอีกทีหนึ่งก็4แฉกเป็นต้นก็ลําบากแล้วเนี่ยนะก็พยายามรักษาพันสิ่งที่ร้ายแรงสิ่งที่มีโทษมากก็คือลิ้นนี่แหละมันยิงไปกล่าวคําชั่วกล่าวคําร้ายกล่าว ด้วยอำนาจมิจฉาทิฐิเป็นตน้นกล่าวด้วยอำนาจความโลภกล่าวด้วยอำนาจความโกโรธกล่าวเทศกล่าวคำหยาบเพ้อเจ้อและส่อเสียดเสียดสีให้ผู้อื่นเดือดร้อนพวกนี้ก็สร้างความเดือดร้อนในที่สุดตัวเองก็ต้องไลหลไปสู่พบแห่งความเดือดร้อนอีกโซดหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลใดสรรเสริญคนที่ควรติเตียนหรือติเตียนคนที่ควรนคนควสรรเสริญบุคคล น, นั้นสั่งสมโทษ ด, ด้วยปากเขาย่อมไม่ได้รับความสุขเพราะโทษนั้น จริงคนที่ควรด่ากลับไปชมชมคนที่ควรด่าทำตรงกันข้ามหมดนี่แหละทุกคำที่เขาพูดทุกคำที่เขาพูดชมคนเลวตําหนิคนดีบาปทุกคำที่เขาพูดนะดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ดวงที่7ให้ผลชาติหน้าดวงที่สองถึงดวงที่6ให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นในแต่ละดวงแต่ลักษณะสามารถให้ผลได้เป็นห้าร้อชาติอย่างเงี้ยนะถ้าพูดทั้งวันจะไปไหน้เนี่ยนะ องบอกว่าความพ่ายแพ้เสียทรัพย์เพราะเล่นสการหรือเล่นการพนันเป็นโทษเพียงเล็กน้อยส่วนโทษที่ขัดเคืองใจในพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยโทษมามากกว่าโทษของคนอื่นทั้งหมดรวมกับของตอนนั้นเะอีกเพราะว่าบุคคลกล่าววาจาและตั้งจิตอันชั่วช้าติเตียนท่าเรียเจ้าย่อมไม่ในนรกตลอแสนนิรับพุทธบ้าง สามสิบหกนิธบ้างห้าอัพภูธาบ้า ง, าาง ก, ก็บอกว่าข้างล่างเขาบอกว่าอะไรนะนิรัพภูธนี้เลขศูนย์กี่ตัวเลขศูนย์หกสิบสามตัวถ้าอัพภูธาก็เลขศูนย์ห้าสิบหกตัวเพราะฉะนั้นก็แสนนิรัภูธาก็คือเรียกว่าอะไรนะเลขศูนหกิบสามตัวคูณแสนครั้งอ่ะคิดดูเท่าไหร่แล้วก็อัพภูธาก็เลขศูนย์ห้าสิบหกตัวเนี่ยนะคูณห้าครั้ง โออย่าไปเลย <c oughs> ถ้าจะไปก็รักษาวาจาเรานี่แหละไม่ต้องไปรักษาที่ไหนหรอก น, นะบุญบาปมันก็อยู่ที่กายวาจาอยู่ที่ตวัดไปตวัดมานี่แหละอีกโซนหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลผู้ประกอบเนืองๆในความโลกเป็นคนมักด่าว่าชนเหล่าอื่นเป็นคนไม่มีศรัทธาห่วงแห็นทรัพย์ไม่รู้ถ้อยคำคือไม่รับคาแนะนาตักตเตือนของบัณฑิตและเป็นคนตรนี ย่อมประกอบเนืองเนืองซึ่งการส่อเสียดคนประเภทนี้ผลมักโลภมักด่าเป็นต้นเนี่ยนะจะส่อเสียดคาบข่าวทางนี้ไปพอกพูดให้ทางโน้นฟังมันจะได้แตกจากพวกนี้ไปคาบข่าวจากทางนี้ไปฝากทางโน้นแล้วให้ทางโน้นมันจะได้แตกกันน่ะนะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอยู่ร้อยคนก็ให้มันแจกแตกเป็นร้อยกกนั่นแหละพวกนี้ก็ยินดีในการส่อเสียดในการเสียดสีพูดไปพูดมาสภาที่เคยมั่นคงรวนเรไปหมดอ่ะนะกลุ่มที่ศึกษาธรรมะก็แตกแยกเป็นสิบยีิบเสียงไปหมดเหล่านี้ก็ เดือดร้อนนะนะมันวาจาเหล่านั้นนี่แหละจะสร้างความเสียหายให้แก่ตัวเองหาประมาณไม่ได้บุคคลผู้มีปากไม่สม่ำเสมอเป็นคนหลอกลวงไม่ใช่อาริยะชนอาริยะชนนี่คนเจริญนะอนาระยาก็คนเสื่อมทําลายความจริงเป็นบุรุษต่ําสามเป็นคนไม่มีบุญเป็นอวชา ต, ตบุตรเรียกว่าเป็นลูกเลวสุดๆในบรรดาลูกทั้งหลายในการนี้ท่านอย่าพูดมากอย่าเป็นสัตว์นรกเลยอย่านั้น คำที่ท่านพูดเนี่ยก็คืออะไรนะถ้อยคําเนี่ยเป็นตัวที่นําไปสู่นรกอย่าเถอะขอร้องอย่าไปนรกเลยเนี่ยนะอย่าพูดมากนะอย่าไปนรกเลยเนี่ยเขาบอกตรงมากที่สุดแล้วนะไม่รู้อะไรจะตรงกว่านี้อีกแล้วท่านเป็นผู้มีปกติธรรมกรรมอยากช้าโปรยทุลีคือกิเลสลงในตนเพื่อความเสื่อมเสียอ่าก็เหมือนกับอะไรนะเหมือนกับเปิดใครที่ขับรถแล้วก็เปิดถังน้ํามันถังน้ํามันเครื่องเป็นต้นเนี่ยแล้วก็ใส่ทรายลงไป อะไรจะเกิดขึ้นชันใดผู้ที่ติเตียนผ้ารหัสทั้งหลายผู้สงบประพฤติผู้จริตเป็นอันมากแล้วย่อมไปสู่นรกสิ้นกาลนานนะก็ทำความชั่วโดยเฉพาะติเตียนพระรัตนตรายด้วยโทษเหล่านั้นไม่มีอะไรจะโทษยิ่งกว่านั้นอีกแล้วก็คือเดินอะไรเรียกอะไรนะปิดประตูทางถูกต้องเปิดประตูทางผิดเรียกว่าปิดปิดฟ้าหมดแล้วก็เบิกอบาย นะก็อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยการแสดงทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะทั้ง21ตัวอย่าง21ตัวอย่างที่ยกขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าสูตรเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นสูตรที่กล่าวถึงความเศร้ามองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเศร้ามองด้วยตัณหาเศร้ามองด้วยมิจฉาทิฐิทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าสอนก็สอนเพื่อให้อยู่ในศีลสมถะและวิปัสสนาประพฤติสุตรจริบด้วยกายวาจาใจ ไม่ได้พูดเพื่อยุยงส่งเสริมพูดสนับสนุนให้สัตว์ทั้งหลายไหลไปสู่อาบายทุคติวินิบาตนรกแต่วัตถุประสงค์ของการสอนของพระพุทธเจ้าการกล่าวของพระพุทธเจ้าให้รู้จักว่านี้เป็นความชั่วนี้เป็นความเลวความร้ายท่านยังหลายอย่าได้เกลื่อนกินกายทุจิจิตวจีทุจริตมโนทุจริตยาบริโภคตันหาอยาเพิ่มพูนมิจฉาทิฏฐิให้ประพฤติอยู่ในสุจริตอบรมสมถะและวิปัสสนาเพราะผู้ที่เจริญสมถะวิปัสสนาดำเนินอยู่ใน ข้อปฏิบัติถูกต้องย่อมนำไปสู่ความพ้นทุกข์จนได้พะะนันธพระพุทธเจ้าแสดงสิ่งที่มีทุกขมีโทษก็เพื่อจะได้เราทั้งหลายได้รับประโยชน์พระพุทธเจ้าเป็นสารณะของเราเพราะพระองค์เนี่ยจัดการปกป้องอะไรที่เป็นเหตุแห่งทุกข์โทษพระองค์ก็หันออกอะไรที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะส่วนบุญส่วนวาสนาที่จะกล่าวตอนบ่าย กุศลเหล่านั้นเนี่ยที่พระองค์ต้องการหันให้เราเข้าไปหาประโยชน์พระพุทธเจ้าแสดงทั้งหมดเพื่อให้เราออกจากโทษเพื่อให้เราทั้งหลายรับได้รับแต่ผลประโยชน์เพราะฉะนั้นจากการกล่าวถึงสิ่งที่มีโทษที่เรียกว่าสังกิเลสเป็นความเศร้าหมองนำมาซึ่งความเสียหายการฟังเหล่านี้ของเราทั้งหลายก็จงเป็นไปเพื่อกำจัดความเศร้าหมองขอความเศร้าหมองเหล่านี้อย่าได้มีในพวกเราเลยขอพวกเราทั้งหลายจงเป็นผู้พ้นจากความเศร้าหมองโดยประการทั้งปวง ทุกโทษใดๆที่เกิดขึ้นขอให้ได้กำจัดทุกโทษเหล่านั้นผลประโยชน์ใดๆที่เป็นเหตุแห่งความสุขความเจริญทั้งหลายขอให้เราทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญเหล่านั้นนะสำหรับเช้านี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อน